เรื่องคนรับใช้ของอนาถาบินทิกะเศรษฐี504สมัยนั้นอนาถาบินทิกะข้าบดีมีบ้านพักคนงานอยู่ในแคว้นกาสีข้าบดีนั้นสั่งบุตรคนรับใช้ไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายมาถึงเธอพึงจัดเตรียมพระตาหารครั้นต่อมาพิกชุหลายรูปเที่ยวจาริกไปในแคว้นกาสีผ่านไปถึงบ้านพักคนงานของท่านอนาถาบินทิกะข้าบดีนั้น บุตรนั้นแลเห็นภิกษุทั้งหลายเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าบอาราธนาดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรับนิมนต์เพื่อฉันประาหารของข้าบดีในวันพรุ่งนี้ภิกษุเหล่านั้นรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นแล้วราตรีนั้นทั้งราตรีบุรุษนั้นสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตแล้วส่งคนไปบอกเวลา ถอดแหวนวางไว้เอาพระทหารประเคนภิกษุเหล่านั้นพลางกล่าวว่านี่มนพระคุณเจ้าทั้งหลายฉันแล้วค่อยกลับกับผมจะไปทำงานลืมแหวนไว้ไปแล้วภิกษุทั้งหลายพบเข้าจึงกล่าวว่าถ้าพวกเราไปแหวนนี้จะหายจึงอยู่ในที่นั้นเองครั้นบุรุษนั้นกลับมาจากทำงานเห็นภิกษุ on, เ, กเหล่านั้นจึงได้กล่าวดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผูเ้เจริญทั้งหลายเหตุไรพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงยังอยู่ในที่นี้เล่า ทันแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเล่าเรื่องนั้นให้บรรุุนั้นทราบครันไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วจึงได้บอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ